ต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่นบอกองนี้พาท่านสอนอย่างนี้นะเราก็กราบท่านเลยมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปได้โอ้พุโทโธไปนะเหมือนโลกจะแตกเลยมันทุกข์มันทุรนทุรายนะจิตมันกระสับประสายไปหมดเลยจิตมันไปติดความว่างๆมั น, นั้นไปอยู่ในความว่าง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 จริงๆทีน้มิถะเนี่ยเป็นกิเลสทีนะเนี่ยจิตมันซึมเศร้ามิถะเจตสิกมันซึมเศร้าไม่ปราดเปรียวทีน้มิถะเนี่ยจะเกิดร่วมกับอกุสลจิตห้าดวงอกูศตรจิตนะี ช, ช น, นิดที่เรียกว่าสังขาริกังนะอย่าอย่าไปสนใจมันหนระนะือชักตาบ้องแบวขึ้นม า, นะนะนะาแล้วลงปลาแล้ทีน้มิถะไม่ได้แปลว่าง่วงนอนนะ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 ทำแล้วทำทีเดียวเสร็จเลยไม่ต้องย้อนไปย้อนมาอย่างบางคนคิดว่าเป็นพระระหันใช่ไหมวันนี้หันแวพรุ่งนี้ก็หันไปตีเขาอีกล้อีกวันหนึ่งหันเป็นพระระหันอีกแล้วอย่างนั้นมันประเภทหมูหันนะหมูหันหมาหันหันไปหันมาฝึกไปเล่ยนะฝึกไปหัดรู้สภาวะแล้วก็หัดรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาหัดสองอันนะหัดรู้สภาวะ